ตอนอบลมคอสนาวมินครั้งที่สองระหว่างวันที่ 20-22 ถึงมกราคม2560ตอนที่หนึ่งก็ขอเจริญธรรมท่านผู้แสวงธรรมทุก ท, ท่านนะเมื่อกี้บางท่านมาใหม่ๆก็สงสัยทำไมให้กราบพระครูสามครั้ ง, งาการกราบไหว้นี้เป็นอุบายวิธีนะลดตัวตนลดอัตตา Watts แต่ที่เราคุ้นเคยว่ากราบพระต้องสามครั้ง ถ้าบวกอีกสองครั้งคือคุณพ่อคุณแม่ทำไมกราบพระครูต้องสาครั้งบางทีเรากาบพระอิฐพระปูนก็สาครั้งอันนั้นไม่ได้กาบพระอิฐพระปูนเรากาบพระอิฐพระปูนเพื่อส่งจิตไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์นนั่นเองครับไปทั้งทีอะไรมากแต่ถ้าไม่ชี้แจงเดี๋ยวเข้าใจผิดคนจีนก็บอกโ佛ใจหลิงซันก็คือพระ <c oughs> อยู่ในภูเขาจิต พราอยู่ในภูเขาจิตพระในที่ดีเนี่ยเริ่มต้นจากโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลนี่คู่แรกสกิทาคามรมัสสกิทาคามีผลเนี่ยคู่ที่สองอนาคามรมัสอนาคามีผลเนี่คู่ที่สามอรหัตมัสอรหัตผล น, นี่คู่ที่สีสคู่8ดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชา หมายถึ ง, ง, ถงพระอริยสงฆ์ขึ้นภาวะจิตของเราส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นนะเป็นพุทธบริษัทสี่เป็นผู้สแสวงธรรมตามมายังไม่เห็นธรรมอันะี้ให้เข้าใจเข้าๆนะแลวไหว้พระกราพระจริงนะกร า, าอีดพระปูนนั้นเป็นสัญลักษณ์ให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็ ต้องชี้แจงเดี๋ยวนสร้างข้อกังขานะครับก็เช้านี้ก็ปุ่จะใช้เวลาสั้นๆพวกแก้วทิพก็ขอร้องแล้วก็จะถ่ายอะไรไว้จะชี้แจงว่าพวกเรามาที่นี่ทำไมมาปฏิบัติอะไรนะครับคำว่าปฏิบัติธรรมเราไปจบคุ้นเคยกับว่าไปฝึกสมาธิจเจริญสติไปนั่งไปโฟกัสไปกำหนด อันนั้นเป็นอุบายวิธีในการฝึกสมาธิเพื่อเจริญสติยังเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมต้องเจริญมักคลดนิพัทแต่การเจริญมัคต้องใช้สมาธิใช้สตินะใช้ปัญญาที่เรามีอยู่ดำเนินเหมือนเราหลงป่าเนี่ยเานะตีหัวเราสลบใส่ในกระสอบไปทิ้งกลางป่า ว่าเราฟื้นขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทําคือหาทางเดินออกจากป่าให้เร็วที่สุดไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นนะช่วงเดินทางออกจากป่ า, เร า, เ, ราเราต้องใช้ปัญญาเราเบื้องต้นนะเราไม่มีเข็มทิศเออที่ตะวันออกอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูพระอาทิตย์มาทางนี้แล้วก็เดินไปทางโ น, น้นช่วงที่เดินไปทางโน้นเนี่ยเราต้องใช้สมาธิถ้าเราไม่ใช้สมาธิเราจะขัดขาตัวเองลงถ้าเราไม่ใช้สติก็จะตกเหวตกบ่อชนต้นไม้ ต้องใช้มันต้องใช้มันเพื่อเดินทางนะนี่คือการปฏิบัติธรรมเรียกว่ามั้งทางเดินไปสู่การพ้นทุกข์แต่ตอนนี้เราเกิดมาเขาก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตแล้วก็แยกขแขนง เ, เป็นนักการทำงานต่างๆคือแยกวิชาเรียนนะตอนนี้ความรู้เราเป็นองค์วิชาเป็นวิชาการเราไปเรียนวิชาการเพื่อเป็นวิชาชีพ แล้วก็ถูกซอยให้เป็นนะให้เป็นสเปเชียลไลซ์คือว่ า, าไปเรียนรู้เรื่องเดียวเพื่อเจาะลึกเรื่องเดียวนะเราเลยไม่เข้าใจชีวิตคำว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันรวมทั้งหมดทีนี้เราก็คุ้นเคยมองอะไรแบบแยกส่วนเธอเป็นใครเธอทำอะไรเธออาชีพอะไรนะครับแม้กระทั่งตัวนี้เราตั้งชื่อชมรมชีวิตฟิตเนสอาดาก็รายงานผู้ภูมาเชาว คนแถวนี้เขาวิ่งแวะเข้ามาปุ๊บเขามาดูว่าใช้เครื่องมืออะไรเราไปคุ้นเคยว่าครั้งว่าฟิตเนสเนี่เราไปจบชีพกายภาพไปเพาะกายเท่านั้นเองแล้วแยกส่วนหมดเราเป็นนันกีฬาแล้วก็ไปออกกําลังกายออกกําลังกายเพื่ออยากเป็นแชมป์พอแพ้มาก็ฆ่าตัวตายใช่หไหมกายแข็งแรงจิตไม่แข็งแรงพอไปฝึกจิตก็หลับตาดั้งทรมานสังขารทับมันเพื่อเอาจิตอย่างเดียวให้จิตนิยมเราทําอะไรแยกส่วนหมด ชีวิตเราถึงไม่สมบูรณ์นะในแง่ชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องกายกับจิตรูปกับนามแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เราเอารูปประธรรมอย่างเดียวเห็น ไ, ไหมต้องต้องช่างตวงวัดได้ใครเคยดีใจบ้างเออทุกคนเคยดีใจใครเคยเสียใจบ้างทุกคนเสียใจนะทุกคนเกิดมีความรู้สึกสุขทุกอั น, นี้คือนามปรธรรมหรือรูปรประธรรมมันเป็นนามประธรรมาแต่มันมีอยู่จริง แต่เราลเราะเลยมันเราไปสร้างแต่วัตถุให้เป็นรูปธปรรมเราจึงเครียดโยครคภัยไข้เจ็บก็ตามมาทั้งหมดคือเรามองอะไรแบบแยกส่วนในแง่ความเป็นจริงมันไม่ใช่มันโฮลิสติกนะหมอบัญชาเดี๋ยวตอนบ่าย น, นี้มามันจะมาช่วยบรรยายนะตอนนี้วงการการแพทย์ก็แยกสเปเชียลหลายเรื่องเดียวสมัยโบราณตอนพ่อกูเด็กๆเนี่ยเขาแยกแค่ว่ า, าตัดคอระหว่างช่วงบนเนี่ยตาหูจมูกคอ นะเก่งเรื่องนี้นะตอนนี้แยกว่าเธอตาอย่างเดียวเธอหูอย่างเดียวเธอจมูกอย่างเดียวเธอปากอย่างเดียวแล้วก็แยกย่อยลงไปคนที่เก่งตาซ้ายคนที่เก่งากาควาพอพอรักษาตรงนี้ก็กระทบตรงนั้นนี่คือองความรู้ทุกวันนี้นะยิ่งจาแนกแยกแยะหาเหตุเพื่อหวังผลยิ่งแยกก็ยิ่งเยอะยิ่งแยะ ก, ก็ยิ่งสับสนแต่ในทางทำเราในวิธีทางพ้นทุกข์คือ จำแนกแจกจ่ายตามเหตุเพื่อมักผลยิ่งแจกก็ยิ่งเบายิ่งแจกก็ยิ่งว่างความว่างเป็นหนึ่งนะมันมันมันตรงกันข้ามมันออฟฟิซิสนะแล้วถึงแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้นะก็เรามาปฏิบัติทำในโปรแกรมในกายฟิสติฟิ์มารมดีมีสุขเนี่ยไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกนะทำเลย ภาษาอังกฤษบอก don t, don t have to learn, don't have to practice, just do it คือว่าเราไม่ได้ฝึกวิชาใดๆอย่างนั้นที่นี่ไม่ใช่วิชาสอนเรามาทำหน้าที่จเจริญ ม, มรรคนะเรามีหน้าที่เต้นก็เต้นเรามีหน้าที่ํำก็ำํำเรามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำเป็นหนึ่งเดียวกับมันใช้สมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับมันสติมันก็ตื่นรู้สติคือกําลังของสมาธิไม่ใช่ช่วงฝึกอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งเราเต้นอรัรลี ตอนนี้ถึงยุคละออนายรัฐมนตรีก็มาเปิดประเด็นนะทุกวันพูดตอนเย็นนะเอาค่าชัการมาเต้นดีคือดึงให้เรามารู้ดูแลสุขภาพหน่อยหนึ่งเพียงแต่ว่าการออกกำลังกายก็ติดลูกแบบอีกแม้กระทั่งเต้นอลไรบิกไม่ใช่เรื่องง่ายน ะ, ะเครียดเรากลั ว, วเราจะเต้นไม่ถูกงานะต้องมีตามจังหวะควบคุมอีกมันเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเราไม่เคยอิสระเลยนะ แต่เรามาเช็คแอร์แดนซ์นะไม่มีสเต็ปไม่มีท่าที่แน่นอนอิสระเราเน้นเรื่องจิตวิญญาณด้วยตอนนี้เราเน้นเรื่องกายภาพออกกายภาพบำบัดแต่ก็ลองเอาจิตวิญญาณไปควบคุมเราไม่เคยพักผ่อนเลยชีวิตเราจึงเครียด น, นะมันไม่มีอะไรมันง่ายๆมันไม่มีอะไรที่ที่ที่ทุ่มวุ่นวายนะบางทีวิชาการเนี่ยทาให้มันวุ่นวาย นะเพราะเราต้องการํำตอบแบบตรรกะก บ, บางอย่างพูดด้วยเหตุผลไม่ได้นะนัก ว, วิทยาศาสตร์ไปหาพวกครูเยอะนะบอกบางทีไม่ชอบพระพุทธเจ้าสอนถามอะไรตอบไม่ได้ก็บอกเช่นนั้นเองนะบางครั้งก็บอกว่าเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินุยิปเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตอนวิทยาศาสตร์ไม่ชอบนะต้องพิสูจน์ได้ใช่ไงพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้ารอท้าทายช่านตรงมาดูเถิดปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นทาผู้นั่นเห็นเราจะถาคนพร้อมที่จะ ท, าท้าทายพร้อมที่จะทดสอบแต่คุณต้องปฏิบัติด้วยตัวเองนะแบบแต่เราไม่ชอบเนี่ยเราเรียนรู้วิชาแบบเหตุผลแบบตับกดะตลอดพยายามจะหาคำตอบแบบเหตุผลบางอย่างพระกู้ถานวิทยาศาสตร์บอกพระครูหน่อยทาไมงูไม่มีขาทำไมคนต้องมีสองขาทาไมวัวมีสี่ขานะ พราทิตมาจากไหนบอกบอกบอกพระครูต้องการรู้เห็นไหมก็ตอบไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็เลยคาดคะเนว่ามันเกิดบิ๊กแบงบิ๊กแบงทำให้เกิดจักรวาลขึ้นนะอะไรทําให้มันเกิดบนะิ๊กแบงอยู่ๆก็บิ๊กแบงมักง่ายผู้เจ้าบอกไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องตายสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยแต่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึง เราไปติดบ่วงเรื่องช่างตรวงวัดบางอย่างมันช่างตรวงวัดไม่ได้โอ้ดีใจจังเลยกี่กิโลความรู้สึกดีใจนี่กี่กิโลนะความรู้สึกกลัวมากๆเลยมันมันกี่องศามันช่างตรวงวัดไม่ได้มันเป็นนามธรรมาแต่ไม่ใช่ว่านามธรรมามันไม่มีมันมีพระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งรูกทั้งนาม ทั้งกายกับจิตแล้วก็เรื่องอารมณ์นะอันนี้เราเรามาทํามาเดินทางเนี่ยเราต้องใช้มันฐานทั้ง4ี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมต้องใช้หมดไม่ใช่ไปฝึกสมาธิแยกอยู่ในฐานกายไปกําหนดอริยบทหรืออะไรแค่นั้นเด็กอันนั้นสอนเด็กๆ เ, เราเกิดมาเราเดินไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้ยืนตั้งไข่เห็นไหมทรงตัวนั่นคือสมาธินะเดินมาลูกทีละก้าวนั่นคือสติ แต่ตอนนี้กิเลสมันขี่จรวดแล้วเราไปเดินช้าๆแบบนี้ทันไหมตอนเราไปฝึกช้าๆน่งใครก็ทำได้พอออกมามันเร็วเนี่ยอย่างเขาด่าเราเขาบอกไว้ว่าระวังนะกำลังจะด่าเธอแล้วนะมันพูดช้าๆหรือเปล่ามันไม่บอกมันใส่ต้มเลยเราทันไหมเน่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยไม่ใช่ยึดมั่นถือมันในรูปแบบปฏิบัติเขาจับเราไปเข้าค่ายไปยิงเป้านิ่ง เรายังมีเวลาทำสมาธิเลงอยู่ยิ่งผิดยิ่งใหม่ได้เป้ามันยังอยู่ไงแต่ชีวิตเรามันไม่ใช่เป้านิ่งมันเป็นเป้าบินพอเรายิงแม่นมากโอ้ได้ที่หนึ่งเลยในค่ายไปลงสนามเขาจับให้เราไปยิงเป้าบินเนีย่ยยิงถูกไหมเห็น ไ, ไหมไปฝึกอีกแบบหนึง่งพอชีวิตเราก็อีกแบบหนึง่งมันถึงไม่ได้ผลไงอ่าไปนั่งปีกวิเวก ปิดวาจาสิบห้าวันห้ามพูดทโอ้ยสบายสบายเพราะที่ผ่านมาหนัวหูจังเลยขี้เกียจได้ยินคนพูดทำไมสบายเธอก็ไม่พูดฉันก็ไม่พูดพอกลับบ้านต้องพูดแก้แค้นเพราะไม่ได้พูดมาสิบห้าวันไอเชื้อไวรัสที่มันไม่สงบมันก็ยังอยู่เราไปกดมันเท่านั้นเองปลดปล่บบอยออกมาเอาเชื้อนั้นออกมาแล้วเราจะสงบตลอดการนะอันนี้คือสู้ความจริงอย่าไปกดทับมันไว้ สปิงไม่ใช่ไปกดกดกดกดกดกดกดนะครูบาอาจารย์เนี่ยเอ อ, เ อ, อชื่อท่านมากบางทีมันก็กระดากใจเหมือนบางคนไม่เข้าใจว่าเหมือนไปอะไรเนี่ยบางทีพราะพราะคูยกตัวอย่างใครเนี่ยจิตพวกคูไม่โง่ที่จะไปสร้างกรรมนะคืออัญเชิญได้เข้ามาเป็นครูบาอาจารย์นะนะบวชมาฝึกมาเป็นครูบาอาจารย์เขียนหนังสือนังกีอเร่ม38ปีนะนะไปกดไม่พดเด้งผางก็ออกไปแต่งงานนี่น้าเสียดายไหมท่านไม่ได้ทําอะไรผิดมันเป็นสิทธิของท่าน แต่ในทางจิตวิทยาเน่ยเราเสียเวลาหนุม่มเราตั้งสาปปีไปสร้างอนาคตไปสร้างบ้านสร้างเรือนตอนยุค12สิบอแล้วที่ทํามาเหมือนไปกดสปริงมันกดมาเลยพอมันถูกชนเด้งผางเลยเหนมดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เราต้องทําลายสปริงซะยืดมันแต่ตอนยืดนี่มันดี๋นิ้วเราบ้างยอย่าพิ่งหนีนะขันติอย่าพึ่งขันแตกก่อนต้องอดทนนะ เหมือเราเป็นนักกีฬาเราวิ่งปุ๊บนี่มันก็เหนื่อยไงโอ้ยเหนื่อยว่าฉันไม่ฉันไม่ไมเอาดีกว่าเราก็ไม่แข็งแรงนะการเจริญมากเหมือนกันเดินไปเดินมาอู้เดินมาเดือนหนึ่งแล้วออกจากป่าไม่ได้ก็เห็นแต่ต้นไม้ใบหญ้าเก่าๆไม่อยากเดินเลยนั่งรออะไรรอเสือมันมากินเราใช่ไหมเดืวไฟไม่ป่าเราเราถูกไฟไม่ป่าในวัดตะสงสารไม่รู้กี่รอบแล้วเบื่อก็เดินไม่เบื่อก็เดินอยากก็เดินไม่อยากก็เดินเราไม่มีทางเลือกถ้าอยากพ้นทุก นะก็ต้องมีขันตินะทำลายสปริงซะยืดมันออกเมื่อยืดได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหล็กเส้นหนึ่งมันมีผลเราไม่ต้องกดเลยมันก็สงบ น, นะพวกเราไปติดหวงวิธีการมองอะไรแบบเป็นสเต็ปส็ดมาใหม่ใช่ไหมไป A B C กอไก่ขอไข่ไปเรียนแบบวิชาการเรื่องจิตปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าความคิดแบบนั้นถูกต้องนะ นังวิสาขาบรรลุโสดาบันเจ็ดขวบไม่ได้เ น, น, ดด น, น, น, นร์มดิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดบรรลุอรหันต์ไม่ได้มันไม่ได้นับว่าเธอปฏิบัติมากี่ปีได้ฌานเท่าไหร่นะต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าไม่ปฏิบัติมาหลายหชาติไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องดูถูกตัวเองว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ผู้เปรตอีกถูกกรองมาแล้ว แล้วยิ่งมาเจอคําสอนที่สุดยอดขนาดนี้ถูกกรองมาแล้วเรามีแน่แต่อย่าประมาทฝ่ายที่ไม่ดีเราก็สร้างมานะฝ่ายที่เป็นกรรมเราก็สร้างมาไม่มีเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกเรามีสองด้านเรามีหน้าที่หยุดซะอย่าสร้างกรรมใหม่นะเออแล้วก็จ่ายหนี้กรรมเก่าส่วนหนึงก็ขัดเก่าจิตให้ผ่องใสทานศีลภาวนาแค่ง่ายๆทำสามอย่างเนี่ยนะการพ้นทุกข์ไม่ใช่อยู่ไกลตัวนะ ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวด้วยนิพานมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เขารอเราอยู่ทุกดวงจิตมีพุทธ จ, จิตอยู่แล้วแต่ทางโลกสอนเราไปก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้านู่นไปเมืองนอกไปเมืองน่าก้าวไปข้างหน้ามันยิ่งมาก็ยิ่งห่างทำมายิ่งห่างความจริงความจรงิมจรงมันอยู่ข้างในเราต้องถอยเข้าไปข้างในอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังแล้วมันเป็นถ้าเป็นศาสตร์นะคําสอนที่ชาวถ้าเป็นศาสตร์เนี่ย เป็นศาสตร์ที่แยบยลที่สุดพรากูถวายชีวิตเลยทำไมแล้วก็สิ่งที่เราถ้าเราทําสําเร็จนี่ไม่ได้แก้ปัญหาเราชีวิตเดียวนะแก้ปัญหาเราในวัดอวตะสงสารเนี่ยไม่รู้กี่หมืน่นกี่ล้านชาติเราผ่านมาแล้วแบ่งเบ็ดเสร็จเลยแล้วก็ง่ายที่สุดแต่เพราะมันง่ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะกีเดทเราไม่ยอมเชื่อมีอะไรง่ายขนาดนี้เลยมันเป็นเส้นผมบางภูเขา เนะพรคูต้องเน้นตรงนี้ก่อนเราถึงรู้ว่าเออเราต้องทำไมเวลาเรา24ชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่พอแล้วที่จะสร้างฐานนะเอาเวลาที่ไหนมามามามาม า, มาศึกษาอะไรก็ไม่รู้นะเราต้องรู้ก่อนว่าที่เราทิ้งเวลาน่นมาทำอะไรอยู่ทุกๆวินาทีในชีวิตเรามันมีความสาคัญนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีเหตุผลในตัวมันไหมนะก็อันนี้พรูเกินแล้วก็ เมื่อกี้เราก็ดูวีซีร์ผสมควรแล้วไอ้ไอปฏิบัติแนวนี้ซึ่งมันไม่มีแนวนะวิธีนี้ซึ่งมันไม่มีวิธีนะศูนย์พลานคอยเนี่ยถามบางคนถามเป็นแนวทางพ่อครูเป็นยังไงแนวทางพ่อครูคือไม่มีแนวทางไอที่ไม่มีแนวทางคือแนวทางของเราถ้าพ่อครูตั้งกติกาอะไรปุ๊บมันจะมีคนทาถูกทําผิดมีคนจับผิดกันอยู่ที่ศูนย์เราอยู่แบบพี่แบบน้องแบบครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเราต้อง ตั้งกติกาไม่พ่อก็ทําหน้าที่พ่อแม่ก็ทําหน้าที่แม่ลูกก็ทําหน้าที่ลูกเห็น ไ, ไหมแล้วอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ถ้าตั้งกติกาปุ๊บมันจะมีคนทําผิดมีคนจับผิดจับถูกเมื่อทะเลาะกันนะแนวทางพ่อครูคือไม่มีแนวทางวิธีของเราคือไม่มีวิธีมันเป็นนาน า, นานจิตตังแต่และดวงจิตไม่เหมือนกันเห็น ไ, ไหมเกิดมาเป็นลูกฝาแฝดดีเอ็นเหมือนกันเลย นะพวกครูถามนักวิทยาศาสตร์หลายคนแล้วก็ <c oughs> ก็ตอบไม่ได้เห็นไหมต้องพูดได้ <c oughs> ต้องตอบแล้วก็ตอบสิทําไมดีเอ็เหมือนกันเลยไอ้นี่ขี้แย่นี่ไม่ขี้แยไอ้นี่ไอิสูงไอ้นี่ไอคิต่ำไอ้นี่เกิดมาแข็งแรงไม่แข็งแรง <c oughs> ก็พ่อแม่เดียวกันไล่กันมาทําไมมันถึงแบบนเป็นแบบนี้ใครกําหนดให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนกําหนดใช่ไหมในดี A นั้นมันบันทึกกรรมไม่เหมือนกันพุกทีเจ้าเห็นมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วนะเอาเป็นว่า เปิดโอกาสให้จิตเราลองดูนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันคืออะไรอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราเราเชื่อหมดเพราะเราศรัทธาอย่าพิ่งเชื่อนะอย่าพิ่งเชื่อตำรานะอย่าพิ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าพิ่งเชื่อที่ทําตามตา ม, ตามกันมาเราต้องทําตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆแต่ตอนนี้28ปดปีพ่อครูถอยมาอยู่ในป่านั้น ไอ้ที่แสดงตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะครูสอบบัลแล้วไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เป็นแค่นักเรียนแบบเรียนแบบวิทยาศาสตร์เฉยๆนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงต้องอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองก่อนว่ามันใช่ไม่ใช่ค่อยมาสรุปกันอันนี้พอเห็นเออไม่ใช่สรุปเลยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขาไปเลยก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะฟังที่บอกว่าฟังหูไว้หู อย่าเพิ่งเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องนะแก้จิบชอบหานะข้อมูลโอ้รู้รู้เยอะเหลือเกินนะเป็นความรู้ของคนอื่นเท่านั้นเราต้องเอาความรู้นั้นมาสังเคราะห์ให้กลายเป็นความจริงให้เราแตกฉานกับมันให้เราประจักษ์ประจักษ์แจ้งนะประจักษ์แจ้งประจักษ์ ก, ก็คือรู้แจ้งรู้ที่มาของปัญหานะแล้วก็มาประยุกนะประยุกทุกทุกศาสตร์ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วก็นำมาปฏิบัตินำมาพัฒนาเหมือนองค์ในหลวงรัชกาลที่9ก้าเราพระองค์ยิ่งใหญ่มากพระองค์คือโพธิสัตว์จริงๆนะมีเรื่องไหนบ้างพระองค์ไม่รู้ไม่ใช่เรียนทุกสารนะแต่พระองค์ใส่ใจลูกของพระองค์เนี่ยมีหลายคนคนนี้เจอปัญหาแห้งแรงหาวิธีแก้สร้างผนเทียมคนนี้มีปัญหาน้าท่วมทาแก้มดิงทาเขื่อนคนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแพทเคื่อนที คนนี้ไม่ได้รับการดึกษาสร้างโรงเรียนเพราะพระองค์ดูแลแบบพ่อดูแลลูกพระองค์จึงเข้าใจเข้าถึงไม่ใช่ฟังรายงานแบบทุกวันนี้เขาเสนอรายงานมาพระองค์เข้าไปเลยพระองค์เข้าไปสัมผัสว่าเขาทําไมจนเขาเจอปัญหาอะไรเมื่อเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ไปพัฒนานะีเรื่องจากเราต้องจริงใจก่อนต้องใส่ใจนะเร็วๆนี้ก็มี อาจารายผู้ใหญนะ่เอาคนไปอบรมที่ในศูนย์บกูแล้วก็บอกว่าเออจะช่วยงานนี้ดเศษฐกิจพอเพียงได้อีกสามปีเพราะอีกสามปีกเกษียณไงเ<ม>พราะกูบอกได้ไงต้องทําตลอดชีวิตถ้าพูดที่เกษียณพราะกูเลยกเกษียณแล้วไงเราเราเร า, เราทำแค่ตามตําแหน่งหน้าที่เฉยๆไงงานมันถึงไม่ต่อเนื่องในหลวงไม่ใช่พระองค์ทําตลอดชีวิตของพระองค์เลยเพราะพระองค์รักลูก ทุกอย่างไม่กลัวหรอกที่เราไม่รู้เนี่ยกลัวอย่างเดียวว่าเอาจริงไหมถ้าเราใส่ใจแล้วเนี่ยไหมพอเจอปัญหาเราก็หาวิธีแก้นี่คือในหลวงของเรานะทุกวันนี้บริหารแบบราชการไงนะถ้าไม่ทําก็ละเลยหน้าที่ไอ้ที่ทำเพราะกลัวกลัวละเลยหน้าที่นะไม่ใช่ทุกคนนะ่ะแล้วก็ทําเกินหน้าที่เขาก็หาเรื่องจับเราอีกยากมากการบริหารจัดการที่มันมีระเบียบ ชัดเจนเนี่ยมันแข็งทื่อเพราะปัญหามันไม่ใช่เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเพราะกูอยู่ในป่า น, นั้นเรียนรู้กับเรื่องนี้เยอะมากอา้าวกระทรวงนี้เข้ามาแหละเขาส่งกรมกอมากรมกอมาสอนให้ปลูกหญ้าให้ก้มขอมาสอนให้เลี้ยงมาบังเกิดไอ้ไม้าที่มันมาเลี้ยงมันไม่ถูกกับหญ้าที่มันปลูกต่างคนตา่างทําเห็นไหมทําหน้าที่คนเป็นแพะคือ กเกษตรกรยากจนเป็นหนี้หัวโตเลยเขาจนอยู่ดีๆเราพัฒนาจนเขายากจนวันนั้นพูดพอำเภอบ่งยายนใหม่สิบวันไปไปฟังทุกเนี่ยไปถามพัฒนาการอำเภอว่า mm hmm. เหนื่อยไหมฟังพ่อครูพูดต้องพูดความจริงไม่งั้นคนจนจะเป็นเยอะเอาทำไมเขาจนอยู่ดีๆยีสบแปดปีพระครูอยู่ในป่า น, นั้นเขาจนจริงๆแต่เขายิ้ม ย, ยิางจําไสฟ้อนลาได้นะนะ ในน้ํามีปลาในนามีข้าวในปา่ามีสมุนไพรมีหน่อไม้มีเห็ดไม่เดือดร้อนอ้มันไม่เจริญไม่เจริญนะไปสอนให้เขาทำโน่นทํานี่ไปพ่อเห็ดมันก็มีกําไรขาดทุนแหละแล้วลเขาไม่ได้เรียนวิชาบริหารเงินมากเขาก็เลยเป็นหนี้ถูกยึดที่ตอนนี้เนะี่ยเขายากจนแล้วไม่มีแผ่นดินอยู่เขาจนอยู่ดีๆเห็นไหมถือว่าวิชากา ร, ราอะไรไม่เข้าใจว่าเรารู้นะแล้วก็รู้เท่าที่เรารู้เรารู้เรื่องเดียวไง แต่ในแง่ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเดียวใช่ไตอนนี้เราอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจในโลกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเราถูกครอบงำด้วยทุนนิยมแข่งขันเสรนะีความคิดแบบนี้ก็เลยครอบงาตั้งแต่ระบบการกระบวนการศึกษามาแล้วเนี่ยนะทุกอย่างทําเพื่อสร้างทุนเราไม่ได้ทําเพื่อชีวิตถ้าเราไม่ระวังนะทุกคนถูกครอบมดนะกับความสุขเกิดจากการบริโภค ทุกซิตี้ทุกเมืองหลวงใหญ่ๆของโลกนี้นะมีปัญหาอะไรเหมือนกันขยะล้นโลกขยะจะได้ทิ้มาจากไหนจากการทำลายสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตตอนนี้เลกไปหมดเลยนะก็ก่อนที่จะเดินทางเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยหลังจากว่าบา ร, รมีของในหลวลงรัชการที่เก้านั่นแหละ ว, วันที่ส3าตุลาที่ผ่านมา พวกกูกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแลเป็นทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรอย่างเดียวนะมันเป็นชีวิตพอเพียงที่พระองค์แสดงเนี่ยมันทั้งหมดที่เราเต้นเราลัมเนี่ยที่เราปฏิบัตินี่ก็เศรษฐกิจพอเพียงนะไม่งั้นเราหาเงินมาบ้านป่านี่เราเป็นเศรษฐีตั้งอย่างรถเข็นนะหาเงินมาก็ไปจ่ายค่ายาไก่ค่าหมอมันไม่พอเพียงเราต้องวางแผนชีวิต นะวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสาดร่างกายสาดสิ่งแวดล้อมนะตอนนี้จิตเราเปื้อนมันเครียดเห็นไหมแล้วไปกินยาพิษเข้าไปอาหารทุกวันนี้มีสารตกค้างเท่านั้นเห็นไหมแล้วก็สมองก็ไปคิดมากๆเห็นไหมคิดเพื่อจะหาเงินแล้วสุดท้ายหาเงินมารักษาโรคแล้วจะจอาเงินมาทําไม หมายความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคือลาบเป็นประเสศุฐนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงนะพราครูถึงเริ่มนะพะ่อครูรทำศูนย์ศูนย์จิตใจศูนย์สมองมีโรงเรียนสองแห่งเด็กยากจน800คนและเพิ่งสร้างศูนย์จิตใจขยายให้มันเสร็จแล้วตอนนี้มาเจอตรงนี้วันที่13บตุลาพวกเราเจอความเศร้าหลังจากเราปรงผม 23.9 คนแล้วเราเข้าค่าย9วันเราเปลี่ยนความเศร้านั้นกลายเป็นพลังเราต้องสารต่อปณิธานตรงนี้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แก้ปัญหาคนจนเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดอย่างเดียวของมนุษยชาตินะถ้าโลกนี้อย่างนี้อยู่เนี่ยเรานับถอยหลั ง, งอีกไม่กี่ปีมันจะเกิดวิกฤตในหลวงยิ่งใหญ่มากแต่บังเอิญว่าความคิดแบบนี้มันทวนกระแสโลกเจ็ดสปีที่พระองค์ทวนกระแสแต่ว่าไปแบบนิ่มๆมันก็เลย ได้ประโยชน์เฉพาะคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะเข้าใจนะก็เกิดฟังว่าเราทำไมต้องมาเสียว้า น, นี่คือเศรษกิจพอเพียงอย่าไปหาเงินเพื่อรักษาโลกนะ่ะเพราะครูยี่สบแปดปีถอยชีวิตมาเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขาหรอกอยากแก้ปวดเม็ดหนึ่งก็ไม่ต้องกินในอดีตสี่สิปีเป็นไมเกรนเพราะเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินปุ๊บก็เอามาคิดมองเห็นม่กก็มาคิดเพราะเราเป็นนักสู้มันกลัวแพ้ไงนะความเครียดลงกระเพาะ อ, อย่างแรงเลยนะ ก็กบเกิดด้วยยาไมให้รู้สึกปวดเฉยๆมันไม่ได้หายมันกําลังจะเป็นโรคหัวใจเราแก๊สมันดันขึ้นมาเนี่ยบังเอิญบุญเก่ามันระเบิดก่อนมันหายเดี๋ยวนั้นเลยหายเดี๋ยวนั้นเลยนะเราเจอว่ายาวิเศษหรือไงจะพูดคําว่าเชื่อไม่เชื่อได้ไหมเราบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขานั่นแหละระบบเชื่องูไม่ไม่มีขานั่นแหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเราต้องสัมผัสด้วยตัวเราเองอธิบายก็อธิบายได้แค่นี้เท่านั้นเองนะ ว่าให้ทุกท่านไหนๆก็วางเวลาแล้วเนี่ยช่วงสองสามวันสั้นๆเนี่ยเทเต็มที่เลยเปิดโอกาสให้จิตเราได้ลองริมนดสิ่งนี้นะอย่าห่วงมันไม่ใช่รัฐที่นิกายัยมันไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ปฏิหารมันคือความจริงเรายกเราก็นะักเราวางเราก็เบาสองสามวันนี้ลองวางดูสิปลดปล่อยให้ตัวเองอิสระโดยสิธเราจะสัมผัสความสุขที่แท้จริงนะ ก็สเ็ตอะไรที่เขาก็เล่าไปแล้วว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้ทำไปเถอะทาตัวเหมือนแก้วเปล่าเหมือนเด็กๆนะเขาเต้นเราก็เต้นแต่ไม่ต้องไปเต้นตามเขาเต้นตามเราเต้นตามสไตล์เราที่เราต้องการเต้นตั้งมั่นนิ่งอยู่กับสิ่งที่เราทําตลอดสมาธิต้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทําเมื่อสมาธิตั้งมั่นเหมือนเราขับรถเนี่ยเรามีสมาธิตั้งมั่นกับการขับรถสติมันก็ตื่นรู้แต่ว่าขับรถด้วยฮัลโหลฮัลโหลนะเออก็คิดด้วยพูดด้วย อันนี้ไม่ตั้งมั่นอ่ะเดี๋ยวชนกันหนึ่งเดียวทํากับสิ่งอะไรได้เรามีสี่ห้าโปรแกรมแต่และโปรแกรมหนึ่งอยู่กับมันตลอดนะทำไมต้องมีสี่โปรแกรมเ พ, รเพื่อเพื่อไปให้เราไปติดนะเพราะเราฝึกกําหนดอะไรเนะี่ยกำหนดอยูน่นะเราก็ชํานาญล้วก็รู้สึกเราสงบไงพอไปเจอกระทบอื่นที่ไม่เคยฝึกเลยเราก็เเด้งเราต้องฝึกจิตเราเนี่ยให้อยู่ได้ทุกๆสถานการณ์เงียบก็สงบ เสียงดังก็ต้องสงบอยู่เฉยเฉยก็สงบเคลื่อนไหวก็ต้องสงบพอชีวิตรเราไม่ได้อยู่เฉยเฉยมันต่อไม้นะอยู่เฉยเฉยกินข้าวไม่ได้นะทำงานไม่ได้นะมันต้องเคลื่อนไหวนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่างอิสระไม่ต้องกำหนดไม่ต้องไปสั่งการนะปล่อยดำเนินไปตามอิสระเหมือนเด็กเด็กเขาไม่เครียดเพราะาเขาปล่อยไปตามอิสระของเขาเรายิ่งเดืน ยรู้มากกลายเป็นยิ่งทุกข์มากนะเด็กๆไม่รู้จะคำว่าไอานะ้นมันดีใจเฮ้ยปล่อยออกมามันก็สบายมันเสียใจมันร้องไห้ดิ้ดงก็ออกมามันก็ปล่อยไงพวกเราเฮ้ยไม่ได้ลูกายเขาบุก เ, เรียกก็กดอย่างนั้นแหละนะกดไปกดมาก็เป็นมะเร็งไงความเครียดคือที่มาของโครคภัยไข้เจ็บมากมายเมื่อเราเครียดแล้วเนี่ยูุงคุ้มกันเรา อิมมูนซิสเต็เนี่ยภูมิคุ้มกันโรคในธรรมชาตินะี่ยมันทํางานไม่เต็มรอยนะเหมือนเรากินข้าวเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติก็มีให้ที่มีฟันให้เราเคี้ยวย่อยอาหารเ<ช>บื้องต้นแล้วก็น้ําลายเราก็ย่อยสลายแป้งเกิดลงไปลําไส้กระเพาะนี่ก็ย่อยอาหารทําไมมันรู้ว่าเอาของดีมาใช้ของเสียขับทิง้งเรามีโรงงานขับกากอ า, าหารขับน้ําเสียเห็นไหมมองไปข้างหลัง น, นั่งทุกคนไม่มีใครเสียบปลั๊กไฟสักคนหนึ่งเหรอ แต่เราไม่เคยรักมันเลยแล้วไปเหยื่อคอมพิวเตอร์ไอ้เครื่องจักรพวกกูสร้างมากับมือพวกกูเลยตอนนี้พวกกูไม่ต้องใช่หไห ม, มันบอกอะไรฟังมันหมดเลยอย่าไปฟังมันนะเราใส่ข้อมูลผิดมันก็ตอบเราผิดมันไม่ได้เก่งอะไรนะแต่เราละเลยเรามีสมองกลนอ่ตัวนี้เป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์เห็นไหมเรามีสิ่งมหัศจรรย์เลยละ่ะมีเครื่องฟอกอากาศเห็นไหม เออมีมีโรงงานย่อยสลายอาหารแยกอันนี้ของดีเอามาใช้ของเสียับดีแต่ตอนนี้เมื่อเราเครียดแล้วเนี่ยมันทํางานไม่เต็มรอยเพราะเราเสพสารพิษเข้าไปเนี่ยมันก็ตกค้างนี่คือมะเร็งเพราะกูพูดอย่างนี้มาเมื่อ28ปีก่อนหมอหลายคนเนี่ไปดา่าพวกกูทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้ทุกคนยอมรับแหละเพราะเขาไม่รู้เรื่องนามธรรมาเขาไม่เคยศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเล ย, ยตัวอย่างนะเราเดินไปด้วยกันเนี่ยนะ คนไทย้เนี่ยกลัวผีมากเกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยก็กลัวนะเดินไปกลางคืนเขาบอกผีๆีเนี่ยเดินมาดีๆก้าวไม่ออกเลยแรงมันหายไปไหนหมดอันนี้โรคอะไรนะมันเป็นรูประธรรมด้วยนามธรรมาไอนามธรรมา ท, ที่เรากลัวผีเนี่ยมันส่งผลถึงกายภาพเราเลยเห็นไหมตกใจบางทีสลัเป็นลมเลยเห็นไหมไอเขาก็ตกใจใครตกใจ มันเป็นมันเป็นนามธรรมาหรือรูปมาทํานียุคนี้เนี่ยพวกกูเสียดายมากวิทยาศาสตร์เราเจ๋งมากแต่เราเอาไปสร้างเทคโนโลยีเพื่ อ, อามาทําลายล้างโลกนะเราไม่ใช้ความเก่งตอนนั้นมาวิจัยเรื่องจิตวิญญาณเรื่องนามมาทําสุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นเรื่องนามมาทําเราล่าเลยมาได้อย่างไรตอนนี้เราแก้อ ย, อย่างไงเบื่อมาฉันก็ไปเที่ยวยินเล่าฟังเพลงกินของอร่อยลืมข้อข่าวกลับมามันก็เบือ่อไอเชื้อเบื่อมันยังอยู่ไง ผู้เจ้าสอนวิธีกําจัดเชื้อเบื่อซะคือขันเก้วจิตให้ฟัใส่นะแต่ว่าไม่ใช่เอาทีละเรื่องนะเอากายก่อนเอาเวทนาแล้วก็มาศึกษาจิตนะถ้าไม่เข้าไปในจิตในจิตเนี่ยเราไม่ชีวิตนี้เราไม่สามารถเสด็จทำในธรรมทำในธรรมนี่คือทำารมล์เป็นอารมณ์ในอดีตชาติเป็นเวทนาและในอดตชาติบันทึกเป็นสัญญาเราไปเรียนรู้กระตรงนั้นเราปลดปล่อยไปปลดวิบากรรมเาตรงนั้นนะอันนี้เข้าไปเลย กายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวนะเป็นแต่ว่าพว ก, กูแบ่งเป็นเนี่ยสี่หขั้นตอนเพื่อให้เราจิตเนี่ยมีโอกาสลิ้มรสได้เรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันอริยบทที่ต่างกันนะแล้วค่อยๆสร้างฐานสาฐานเมือม่อมีกําลังแล้วมันเข้าไปเคลียร์คัดหนี้เก่ามันข้างในแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างสุขุมรอบๆนะต้องฝึก เนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงแรกเนี่ยเราเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์เมื่อเราจะเดินทางไกลเราก็ต้องเตรียมนะจัดเสื้อผ้าซื้อตัว๋วเครื่องบินอะไรก็เดินไปนะครับอันนี้คือเตรียมพร้อมแล้วก็ปฏิบัติขอให้ปฏิบัติทุกสเต็ปให้มันให้มันพร้อมแล้วจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะจิตเราจะมีพลังนะครับถ้าจิตมีพลังแล้วเนี่ร่างกายก็ดีด้วยแต่ทุกวันนี้เราเอาร่างกายก่อนแต่จิตวิ ญ, ญญาณเราเครียดมาก นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกอย่างจบอยู่ที่จิตอย่างคนตายใหม่ๆเนี่ยร่างกายก็ยังอยู่ไงทำไมคิดไม่เป็นทําไมหัวใจไม่เต้นรถยนต์เนี่ยถ้ามันจอดไว้เฉยๆเราไม่ขับมันขับได้ไหมมันไม่ได้เป็นเป็นพระเอกร่างกายไม่ใช่เป็นพระเอกนะมันเป็นเครื่องมือของจิตเท่านั้นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เราแค่รูปธรรมเพราะนามมาทำมันชอทกช้ำจวงวัดไม่ไรกันเลยไม่เอาอันนี้คือความสูญเสียครั้งใหญ่ ของมวลมนุษยชาตินะก็พวกอยู่กับพวกเราในทั้งสามวันจะเป็นบรรจยเป็นช่วงๆช่วงนี้ก็ใช้เวลาสั้นๆเพื่อเกิดนะให้ทุกคนมีความศรัทธาตั้งมั่นที่จะลองทำดูนะนะวิธีทำเข้าไปเนี่ยมันง่ายมากแต่ก่อนจะทำนี่มันยากมากเพราะอุปทานเรามันไม่ยอมนะก็ต้องใช้เวลาพูดสักหน่อยหนึ่งให้เราเข้าใจ เอาละตามเหตุและผลแบบตักกะบ้างแต่ดีที่สุดให้เป็นสัมผัสเองโอเคไหมก็ปฏิบัติไม่ตอนนี้นะเราลองปฏิบัติก่อนแล้วก็จะไปกินข้าว